มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันก็ในสมัยนั้นแหลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสถามถึงพระราชการณียกิจอันใดที่ยังจะต้องทรงกระทำในฐานะ ที่ได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมบุตวีบถึงเพียงนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประเซนที่โกศลดังนี้ว่าหมาบอบพิษพระองค์จะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าสมมุติว่าในที่นี้ข้าราชการของหมาบพิษผู้ที่ควรเชื่อถือมีวาจาเชื่อถือได้ เขามาจากทางทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์และบอกว่าข้าพเจ้ามาจากทางทิศตะวันออกในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทบวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทาก็ขอได้รีบเปรดกระทิเสด็ดังนี้และแบบนั้นมีข้าราชการคนที่สองมาจากทางทิศใต้ ข้าราชการคนที่สมมาจากทางทีต่ตะวันตกและข้าราชการคนที่สมาจากทางทิศเหนือกล่าวเหล่านั้นเป็นผู้ที่ควรเชื่อถือมีวาจาเชื่อถือได้เข้ามาแล้วกล่าวกับพระองค์ว่าข้าพเจ้ามาจากทางทิศใต้ทีต่ตะวันตกและทิศเหนือในทิศนั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเถียมเมฆ กำลังกลิ้งบทบวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทํขาก็ขอได้รีบปลดกระทําเสเถิดดังนี้หมาประบิดครั้นเมื่อมหมาภัยอันร้ายกาดที่จะทําให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์ก็อะไรเล่าที่พระองค์จะพึงทรงกระทําในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้ ข้าแต่พร ะ, พพระพผู้มีพระภาคผู้เจริญก็ครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพระองค์อะไรเล่าจะบึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะบึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสญญนยากนี้นอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่าเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการมาเป็นบุญมาบะปิด อาตมาภาพจะอธิบายให้เข้าใจคือความแก่และความตายย่อมครอบงำพระองค์ก็แลเมื่อความแก่และความตายครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาบาิสจะพึงกระทำก็แต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็แลเมื่อความแก่และความตายครอบงำข้าพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรกระทำ นอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญแต่แต่พระองค์ผู้เจริญในการรบด้วยกองผลช้างแม้เหล่าใดย่อมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับบรุรถามพิเศษแล้วแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยช้างแม้เหล่านั้น ไม่มีเลยแต่พระ่งผู้เจริญการรบด้วยกองพลมา้ากองพลรถหรือพลเดินเท้าแม้เหล่ใดย่อมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมรดภาพพิเศษแล้วแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่คติวิสัยแห่งการรบด้วยกองพลเหล่านั้นไม่มีเลยแต่พระองผู้เจริญในราชตระกูลนี้ มีมหาอมาตถ์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายข่าศึกถ้ายกมาก็มีอยู่เหมือนกันก็แต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นไม่มีเลยอนหนึ่งในราชสุกรนี้มีเงินทอง ท, งทั้งที่อยู่ในพื้นดิน ท, ทั้งที่อยู่ในอากาศซึ่งพวกหม่อมฉัน สามารถจะใช้เป็นเครื่องมื อ, อยุแย่ให้ค่าศึกที่ยกมาแต่กันก็มีอยู่เป็นอันมากแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยทรัพแมเหล่านั้นไม่มีเลยแค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่รรยเล่าจะบึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรม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 และเมื่อจบพุทธนราตนี้แล้วได้กล่าวคำที่ปลูกเป็นคำกราบคือเป็นคาถาสื่อไปว่าภูเขาหินศิลาใหญ่สูงเถี่มฟ้ากลิ้งบทปวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉะนั้นมันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกริย์พวกราม พวกแพทย์พวกสูตรคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เว้นใครๆไว้เลยมันย่อมย่ำ ย, ยีเสียสิ้นใ น, นที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพย์ ประโยชนันและบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเลยเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติทธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเดียวผู้นั้นลาโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ และนี่คือรายการธรรมรับบรรลุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูพุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโศกนำเรื่องราวเหล่านี้แหละตระหนังที่เป็นคำสอนของพุทธเมื่อทีพระราชามหากษัตริย์องค์ไหนมีข้อสงสัยอย่างใดๆก็ไปถามไปพูดคุยไปสอบถามตวนถามกับพระบรมเชา่าการเข้าหาสมัย น, นเป็นการดี การที่เข้าไปหาสัมมนาแล้วสอบถามทวนถามว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรกุศลธรรมเป็นอย่างไรอกุศลธรรมเป็นอย่างไรอะไรควรเสพอะไรควรทำอะไรไม่ควรเสพอะไรไม่ควรทำสอบถามทวนถามให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นก็ปฏิบัติตรงนี้ตั้ังจะเป็นไปเพื่อปัญญาจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขสิ้นไปตลอดกาลนานนานมากนานจนจำแล้วก็ลืม ลืมแล้วนึกได้ทีมันก็ยังมีอยู่นะความที่จะมีกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเราก็อาศัยการที่เราทําการที่เราปฏิบัติทําปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ได้ทําเล่นๆทําแบบรู ป, ร ป, รปครๆคลำๆทําแบบขอไปที่ทาแบบจับจดแต่ว่าทําแบบจริงจังทำจริงแน่แน่จริ ง, รงถ้าเรามีของดีของสําคัญเราจะดูแลรักษามันอย่างดีเดียวการดูแลรักษาธรรมะ ที่อยู่ในใจของเราไว้ให้ดีให้งามก็คือการที่เร า, เามาส่งไว้ในใจเอามาขึ้นมาปัดฝุ่นมาเช็ดถูเอามาส่งไว้มาใช้งานนะใช้แล้วมันยิ่งเกิดยิ่งดีนี่คือธรรมานั่นเองหนึ่งในข้อธรรมะที่สําคัญนะที่เป็นเหตุที่ทําให้พระเจ้าเนี่ยต้องมาอุบัติขึ้นบนโลกด้วยนั่นก็คือเรื่องของความเกิดความแก่และความตายเกิดแก่ตาย3อย่างนี้ต้องมาฟัง เราต้องเจอกันทุกคนแต่มันก็จะแฝงมาในรูปแบบต่างๆบางคนอาจจะตายตั้งแต่ยังเด็กยังไม่ทันแก่งอมแต่ว่าถ้าเราอายุจาก5ปีเป็นอายุ6ปีแล้วตายตอน7ปีดปงบางคนอาจจะบอกว่ายังไม่แก่แต่ความที่สิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุนี่แหละคือความแก่่มันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนถึง7ปีบ้างบางคนก็17ปีตายบ้างบางคน27ปี บางคนไปถึง70ปี80ปีหรือร้อยปีตายก็มีแต่ซึ่งการที่อายุมันเพิ่มขึ้นไปทีละ1ทีละ1 ห, หรืออายุเพิ่มขึ้นจากวันนี้เป็นวันพรุ่งนี้อายุเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้มาเป็นวันนี้การที่อายุเพิ่มขึ้นทีละนาที2นาทีทีละวันสองวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายสิบปีเนี่ยจนมันหมดมันสิ้นไปสิ้นไปเนี่ยเขเรียกว่าความแก่แต่มันก็อาจจะมาอยู่ในรูปของความที่ยังเต่งตึงของผิวพรรณ ความแก่เนี่ยอาจจะมาในรูปของความที่เห็นเป็นผมขาวผมหงอกอันนี้ก็มีทั้งสิน้นเพราะความเกิดความแก่ความตายสามอย่างนี้มีอยู่บนโลกจึงทำให้พระพุทธเจ้าต้องมาอุบัติขึ้นบนโลกอุบัติขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่และความตายนั่นเองโดยในเรื่องราวที่บอกสอนบางทีก็บอกสอนผ่านทางภิกษุ์ทั้งหลายบ้าง บอกสอนผ่านทางพระราชาบ้างบอกสอนผ่านทางบุคคลต่างๆแต่มีหลายอย่างซึ่งในเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้ยกขึ้นมากล่าวให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นเรื่องราวของภัยพิบัติที่รพระเจ้าพยายามเปรียบเทียบให้เห็นถึงว่าถ้าเราคิดว่าภัยพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกบางคนก็กพูดถึงการที่แผ่นดินไหวบางคนก็พูดถึงการที่โลกร้อนขึ้นจนน้ําท่วโมโลกและไม่มีที่อยู่อาศัยอาหาจขาดแคลนบ้าง บางคนก็พูดถึงการที่จะมีพายุสุริยะทําให้มันร้อนขึ้นจนกระทั่งมนุษย์โลกอยู่ในโลกไม่ได้มนุษย์ก็ต้องตายไปหรือแม้แต่การที่ถูกบุกรุกจากมนุษย์ต่างดาวออกไปนูน่นเรื่องใหม่ไปอีกแลนะมีภัยพิบัติต่างๆนานาเขาก็เถียงกันบางคนก็จะคิดว่าอุกกาบาตเนี่ยมันจะมาถล่มโลกทำไม่โลกแตกโลกอะไรไปก็อีกเรื่องหนึ่งไปอีกทฤษฎีหนึ่งไปแลนะมีหลายทฤษฎีมีหลายเรื่องมีหลายอย่างมีหลายแบบ แต่ก็คิดกันไปใครหาหลักฐานยังไงได้ก็คิดวิเคราะห์กันออกมาแต่ลืมไปว่าภัยพิบัติที่เราเจออยู่กับตัวเราเองและที่ทุกคนเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้คือเรื่องของความแก่และความตายพระชาเปรียบเทียบเป็นฝั ง, งแต่เหมือนกับว่าถ้าถ้าเราเจอภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้แต่เคยเปรียบเทียบไว้ในอีกถ่ายที่หลายเรื่องเช่นไฟไหม้ครั้งใหญ่บ้างน้ําท่วมครั้งใหญ่บ้าง หรือโจรขโมยโจรขบฏนดบุกมายึดตีเมืองอะไรต่างๆบ้างแนี่บางทีบางคนเขาก็รอดได้เราจะเคยดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับพวกภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างภูเขาไฟระเบิดบ้างน้ําท่วมบ้างอุกกาบาตพายลมบ้างแต่ก็ยังมีคนรอดออกมาได้แต่คนตายก็มีละ่ะคนรอดก็มีแต่ว่าภัยคือความแก่และความตายนั้นไม่มีใครรอดเลยในฝังเนีย่ยทุกคนเจอภัย คือความแก่และความตายคุกคามอยู่ตลอดภัยคือความแก่และความตายแสอ2อย่างนี้ถ้ารวมกันให้เข้าครบเซตครบทั่วเลยก็คือความเกิดความแก่และความตายแสา3อย่างนี้แหละเป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องเจอถ้าเป๋เราแก่แล้วถ้าเป๋เราตายแล้วตายแล้วคุณยังมีเชื่ออย่างการเกิดเหลืออยู่ก็ต้องไปเกิดเกิดแล้วก็ต้องมีแก่แล้วก็ต้องมีตายตายแล้วที่ยังมีเชื่ออย่างการเกิดก็ต้องไปเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาแก่แล้วก็ต้องมาตาย ตายแล้วยังมีเชื่ออย่งการเกิดก็ต้องไปเกิดเกิดแล้วก็ต้องมาแก่แล้วก็ต้องมาตายแล้วนะเกิดเป็นอะไรได้บ้างละ่ะก็อยู่ที่ว่าเชื้อตอนที่ตายเนี่ยมันเป็นเชื้อแบบไหนถ้าเชื้อในลักษณะที่มีการเบียดเบียนกันมากก็จะไปอยู่ในพบที่มันเบียดเบียนกันเคี้ยวกินกันถ้าเชื้อในลักษณะที่จะมีความปรารถนาดีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็จะไปเกิดในพบภูมิในลักษณะนั้นก็คือเช่นเทวดาหรือมนุษย์ที่เขาเอื้อเฟื้อกัน ก็จะมีความเกิดลักษณะนั้นก็จะได้ปัจจัต่างๆแบบนั้นแก่แบบนั้นแล้วก็ตายแบบนั้นตอนตายมีเชื่อแบบนั้นก็ไปเกิดแบบนั้นอีกแล้วก็บนอยู่อย่างนี้อาการที่มันบ่นอยู่อย่างเนี้ก็เรียกวัฏฏะแต่คือหมุนบนไปเรื่อยๆหมุนบนไปเรื่อยๆหมุนบนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเป็นวงกลมวงกลมในที่นี้ก็คือวัฏฏะสงสารนั่นเองสังสารวัฏนั่นเองเป็นวงกลมหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏ เพราะมันเป็นวงกลมหมุนไปอยู่อย่างนี้หมุนไปอยู่อย่างนี้สิ่งนี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าภัยพิบัติต่างๆซะอีกเต็มฝั่ ง, งเพราะว่าภัยพิบัติต่างๆบางที่เรารอดได้อาจจะไม่ใช่เป็นดินไหวอาจจะไม่ใช่อุกกาบาตอาจจะไม่ใช่ภูเขาไฟถล่มอาจจะไม่ใช่น้ําท่วมแต่อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยียงยได้อย่างหนึ่งแต่บางที่คุณเป็นมะเร็งหมอรักษาหมอคนนี้รักษาไม่หายเอหมออีกคนหนึ่งรักษาไม่หายอีกกนหมออีกคนหนึ่งมีวิธีการธรรมชาติ ธรรมชาติบำบัดอะไรเอารักษาหายขึ้นมามันเดินไปตายด้วยโรคอื่นอย่างเงี้ยคนรักษาโรคหัวใจหายไปตายด้วยโรคมะเร็งคนรักษาโรคมะเร็งหายไปตายด้วยอุบัติเหตุสุดท้ายมันตายอยู่ดีจำฝั ง, งเพราะความตายเนี่ยมันไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ํายีหมดทุกคนความแก่และความตายเนี่ยนะมันไม่ไว้หน้าใครเลยคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณมิ่งเงินเท่าไหร่คุณจะนำสกุลอะไรเอามาแก่ไหมตายไหมมันไม่ไว้หน้าใครเลยจำฝัง เราพิจารณาดูให้ดีๆแลบางทีแผ่นดินไว้หวคุณก็นั่งเรือออกไปาบาว่งทีน้ําท่วมคุณขึ้นยานบินอาถ้าอุกกาบาตตกทรายคุณขึ้นยานไปนอกโลกกูน่า จ, จะรอดได้แต่ถ้ามีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้และมีอํานาจวาสนามีเทคโนโลยีมีเงนินมีทองก็ว่ากันไปแต่ความแก่และความตายถ้ามันมาแล้วไม่รอดตคำฝังมันไม่ไว้หน้าใครมันไม่สนใจว่าคุณเป็นใครมันไม่สนใจว่าคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าคุณยังมีกายนี้อยู่ มีใจนี้อยู่ความแก่และความตายย่ํำยีคุดแน่เราจะทํายังไงเมื่อความแก่และความตายนั้นมาครอบงําเราคนที่เขาแก่แล้วกํำลังจะตายดับหวังนอนพะงาบปงาบอยู่บนเตียงในมีกองพลคุ้มกันอยู่ทั้งสด้านด้านบนก็ยังจะ อ, อะไรคลุมเอาไว้กองทัพช้างกองทัพมา้ากองพลรถพลเดินเท้าหมอดีที่สุดยาดีที่สุดหามาใส่หามากิน แต่เมื่อความตายมาถึงดามังฝังญาติพี่น้องกองพลกองพันญาต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถช่วยได้เลยไม่สามารถช่วยได้เลยมันจะต้องพากชีวิตนี้ไปให้คิดดูให้ดีดำฝั่งให้คิดดูใหดีความแก่และความตายต้องครอบงามแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งวันนี้แหละเอาความแก่มันเอาละก่อนแต่ตายเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่มันมาแน่อาจจะวันนี้อาจจะพรุ่งนี้อาจจะมืรืนนี้ อาจจะอีก5ปี10ปี20ปี30ปีสามสปีหรือกว่านั้นข้างหน้าไม่รู้เลยจฝังมันไม่แน่แต่ที่แน่ๆคือมันมาแน่แต่มันไม่แน่วันมาตอนไหนถ้ามันมาแน่มันอาจจะมาใกล้อาจจะมาไกลมารตัวนี้เรียกว่ามัจจุมาเนี่ยถ้ามันมาแล้วเราจะต้องเตรียมการรับมือกับมันจำฝังความแก่มาแน่ความตายมาแน่ยืนยันให้ได้ฟันตรงให้ได้ดูดวงให้เดี๋ยวนี้เลย ถ้ามาแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรอย่าประมาททั้งฝั่งนี่คือประเด็นที่พระเจ้าได้บอกกับพระเจ้าเปรตทีิโกศลบอกกับพระเจ้าเสรตทีิโกศลเตือนให้ทราบว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงสมัยใตยพุทธกาลพระเจ้าก็อายุใกล้80พระเจ้าเปรตทีิโกศลก็แก่มากแล้วอายุเท่ากันแก่งอมบ่ๆกันตอนนั้นก็ได้ครองความเป็นยิ่งใหญ่ในทั่วจุบุตวีบกษัตริย์แห่งเมืองราชฤกษ์ ก้คมคุดก็ยกย่องให้พระเจ้าปเาปอรเ์เซนที่โศลนเป็นใหญ่แต่กษัตริย์องค์นั้นองค์นี้ก็ต่างยกย่องให้พระเจ้าปเาปอรเ์เซนที่โศลนเป็นใหญ่แล้ก็จึงมีพิธีกรรมที่เรียกว่ามุรธาพิเศกมุรธาพิเศษก็คือว่าอุปโลกกษัตริย์องค์นี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิลักษณะนั้นนต่ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมบุทวีปใหญ่ ย, ย, ยิ่งขนาดนี้แล้วก็ยังถูกความแก่และความตายครอบงำแน่นอน พระเจ้าเตือนพระเจ้าพระเศนนิโคสันไว้แต่ซึ่งพระเจ้าพระเศนนิโคสันนี้ก็เป็นผู้มีปัญญาท่านฟังเมื่อรู้ตัวว่าความแก่ความตายคราบงำอยู่อย่างนี้พระเจ้าเตือนสติให้แล้วก็รู้ว่าควรที่จะต้องสร้างกุศลบำเพ็ญบุญประพฤติอย right. ่างสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญด้วยการประพฤติธรรมด้วยการประพฤติสม่ำเสมอด้วยการสร้างกุศลด้วยการบำเพ็ญบุญ คนที่มีการปริบฤติธรรมทำอยู่อย่างสม่ำเสมอมีกุศลมีบุญแล้วเนี่ยยังไงมันก็ตายละ่ะอ้าถ้าตายแล้วไหนยังน้อยเรายังสร้างเชื้อแห่งการเกิดที่มันจะดีไปในที่ที่มันจะดีมีสุขอย่เช่นสวรรค์มนุษย์ที่มีอันจกินหรือว่าโรโมโลกเป็นต้นแล้วบุญที่เราสร้างสมบำเพ็ญเอาไว้ไหนยิย่งจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นนําไปสู่นิพพานได้ คือนบางคนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตอนมาก็ไม่ได้เ อ, อะไรมาด้วยนะออกจากท้องแม่ก็ไม่มีเสื้อผ้ามามีแค่กายของเราแต่เสื้อผ้าต่างๆก็ไม่มีออกมาแล้วโตวขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาแก่แล้วเราก็ตายไปเนี่ยตอนตายอาจจะมีสมบัติอะไรต่างๆแลนะมีญาติพี่น้องต่างๆพวกนั้นก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแต่เสื้อผ้าที่ใส่อยู่กับตัวนะร่างกายก็ต้องทอดทิ้งเอาไว้เงินบางที ญาติพี่น้องใส่ไว้ให้ในปากและสับเปล่าเขาก็เอาไปอะไรที่มันติดจวบกระไกลก็ต้องทอดทิ้งไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะติดไปด้วยได้่ก็คือเรื่องของบุญเรื่องของกุศลถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีบุญแน่นอนท่านฟังไม่ว่าจะยากดีมีจนรำ่ำรวยมหาศาลทุกคนมีบุญพอสมควรในการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่เกิดมาแล้วีกตอนไปเนี่ยสิอย่าให้มันขาดทุน ตอนมาเกิดเราดีมีกุศลจึงมาเกิดได้ลําบากบ้างกระตามีสุขบ้างก็ธรรมดานะแต่อย่างน้อยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมบ้างพูดจาได้ฟังเสียงได้มีบ้างขัดบ้างสุขบ้างทุกบ้างก็ธรรมดาแต่มีบุญพอสมควรมีบุญอย่างนี้แล้วตอนตายไปอย่าให้ขาดตุนลำบังตอนตายไปอย่าให้ขาดตุนเพราะว่าตอนตายเราก็าเอาอะไรไปไม่ได้ตอนเกิดเราก็าไม่ได้เอาอะไรมาแต่ถ้าพูดถึงสิ่งของข้าวของที่จับต้องได้พวกนี้ มันไม่มีทานที่จะขัดทุนหรือกําไรได้เลยแต่บุญกุศลนี่แหละต้องหวังขาดทุนหรือกําไรได้บุญกุศลที่เราเกิดมามีเท่าหนึ่งตอนตายไปอยาให้มันน้อยกว่าเดิมเพราะถ้าน้อยกว่าเดิมเชื้อแห่งการเกิดนั้นก็จะไม่ดีล่ะเป็นบาปเป็นอ ก, กุศลมันก็จะไปในที่ไม่ดีแต่ถ้าบอกว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้สร้างกุศลไว้ได้ทําบุญไว้ทําอยู่อย่างต่อเนื่องทําอยู่อย่างสม่ําเสมอตอนตายเนี่ย เรามีบุญมีกุศลที่มากกว่าตอนที่เราเกิดมาท่านผู้ฟังลองคิดดูณปัจจุบันนี้ตัวเรายังไม่ตายยังมีหูฟังเสียงได้อยู่ยังมีจมูกดมกลิ่นได้อยู่ยังมีลล่นมีกายมีอะไรต่างๆสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้อ่านหนังสือได้ทำอะไรได้มีสิ่งเหล่านี้อยู่อันนี้แสดงให้เห็นถึงบุญที่เรามีบุญตอนที่เราตั้งแต่เป็นเด็กโตมาเนี่จนถึงบัดนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองบุญมากขึ้นหรือว่าบุญน้อยลง คิดว่าใจของตัวเราเองมันดีขึ้นหรือมันหยาบลงคิดว่าใจของเราเองมันละเอียดขึ้นหรือว่ามันเศร้าหมองลงคิดว่าใจของตัวเราเองมันสูงขึ้นหรือมันต่ำลงคิดว่าใจของเราเองมีความรู้ยิ่งมีความรู้พร้อมมากขึ้นหรือว่าน้อยลงคิดว่าวาจาของเราเองมีการพูดจาที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสัมมาวาจามากขึ้นกว่าตอนก่อนๆหรือว่าน้อยลง เราจะต้องพิจารณาตัวเราดูเองนะตหวังว่าเราเกิดมาตอนนี้เราขาดทุนหรือว่าเรากาไรเพราะว่าตอนสุดท้ายตอนที่เราจะตายไม่รู้วันไหนแต่มันมาแน่เราอย่าให้ขาดทุนเพราะว่าจิตที่ขาดทุนหมายความว่าบุญกุศลมันลดน้อยลงกว่าตอนที่เราเกิดมาจิตนั้นมันจะมีความกลัวมันจะกลัวตายถ้ามันจะตายมันจะกลัวมันจะกลัวมันจะมีความหวั่นไหว มันจะมีความขนผ่องขนมันจะลุกสู้มันจะกลัวตายถ้าความตายใกล้จะมาถึงคืบคลานเข้ามาแล้วไอ้บุญกุศลฉันมันน้อยลงฮมันจะกลัวจะมีความหวั่นไหวเป็นความขาดเป็นความขาดชนิดที่เป็นอกุศลก็จากการที่ไม่มีกุศลธรรมในจิตมากพอมีอกุศลธรรมมากเกินไปพอมีอกุศลธรรมมากมีกุศลธรรมน้อยครอบงาจิตแล้วมันก็มีความหวั่นไหว ใะจิตไม่ตั้งมันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามันสร้างบุญสร้างกุศลโดยการรักษาสีก็ตามฉริญสมาธิก็ตามนั่งภาวนาให้ทานบ้างนัปฏิบัติมารดาบิดาอย่างดีบ้างบุญกุศลเราสร้างเอาไว้ทำเดียวไว้เมื่อความตายใกล้จะมาถึงไม่รู้มันวันไหนอาจจะจบอยู่ในสถานการณ์เฉียดหรือว่าสถานการณ์ที่มันล่อแหลมละเราจะไม่มีความกลัวตาย ในที่นี้ไม่ใช่หมายว่าวิ่งเข้าไปหาความตายนะแต่ว่าถึงตายก็สบายใจถึงตายก็ไม่หวั่นไหวถึงตายก็ไม่คร่นคร้ามเพราะว่าใจนั้นมีบุญมีกุศลบุคคลที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลในย่อมบันเทิงพระเจ้าบอกว่าจะมีความบันเทิงใจในบุคคลที่ประพฤติทำด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจปรารบเหตุความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประพฤติ กายวาจาใจที่เป็นกุศลประพฤติบริสุทธิ์ในทางกายทางวาจาทางใจนั่นผู้นี้เป็นผู้บัณฑิตบัณฑิตนั้นแต่ต่อให้มีความตายอยู่เฉพาะหน้าก็ยังบันเทิงใจอยู่ได้ยังสบายใจอยู่ได้ยังร่าเริงรื่นเริงบันเทิงในต่ำเพราะวาความกลัวที่ครอบงำนั้นไม่มีมีแต่บุญกุศ ล, ลที่ตั้งไว้ในจิตนั่นเป็นผู้ที่มีศีลอนุสติเป็นต้นมีพุทานุสติธรรมานุสติสังกานุสติเหล่านี้เป็นต้น เป็นผู้ที่ประพฤติอยู่อย่างสม่ำเสมอคนที่มีจิตแบบนี้ทำฝังเป็นผู้ดีเตรียมพร้อมแต่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้จักป้องกันภัยแต่บางคนคิดว่าถ้างันจันก็สร้างยาโอกาสขึ้นมาสักอันหนึ่งบินไปดวงจันทร์ทําดวงจันทร์ให้เป็นอนานิคมไปอยู่ตรงนั้นสร้างเรือสร้างสถาบันในการวิจัยยาที่มันจะอายุยืนยืนอะไรต่างๆหรือว่าสร้างตึกไว้สูงๆอยู่บนนั้นให้มันสบายใจสร้างเรือไว้ นคิดว่ารักษาตัวเองไว้อย่างดีแล้วจะปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆแต่นะบุคคลนี้ไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาตัวเองอย่างดีปราศรพแห ต, ต่างๆเหล่านั้นต่อให้ไปอยู่ในซอกเขานะไปอยู่ในยอดปราสาทชั้นสูงๆนะลอยเรือออกไปกลางมหาสมุทรก็ยังไม่ชื่อว่ารักษาตัวเองอย่างดีในทางตรงข้ามท่านฟังถ้าเรามีการประพฤติธรรม่คนเขาด่าเขาว่าเราก็อดทนเอาไว้คนนั้นอาจจะทําไม่ดี คนนั้นว่าคนนี้คนนี้ว่าคนนั้นเราก็อดทนเอาไว้มีโอกาสในการที่จะทําชั่วทําผิดก็ไม่ทําล่ะจะตั้งใจทําดีมีการไม่พูดเน็บกันไม่พูดทิมแทงกันและมีการพูดจาให้สมัครสมานสามัคคีกันพูดจาในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลและมีการกระทําที่ช่วยเหลือกันมีจิตเมตตาทําอย่างเนี้ยทําอย่าง น, างนี้ชื่อว่าเป็นการรักษาตนที่ดีกว่าเพราะว่ารักษาด้วยการสร้างบุญสร้างกุศล รักษาด้วยการปฏริพฤติธรรมรักษาอย่างนี้ช่วยรักษาตัวเองด้วยช่วยรักษาผู้อื่นด้วยคนอื่นที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็ได้รับการรักษาจิตใจของเราที่เป็นแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นผู้ที่ถูกนําตัวไปเก็บไว้บนสวรรค์ต่อให้มีความแก่และความตายที่จะครอบงําเราอยู่เฉพาะหน้าเราก็ยังเป็นผู้ที่มีใจอดหานมีใจห้าวหานในการที่จะเผชิญความแก่และความตายนั้นคนที่เป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายท่านผู้ฟังมาเร็งขั้นสี หรือว่าโรคเอชหรือโรคอะไรที่มันไม่มียารักษาเช่นคุณโบลาอย่างนี้ก็ตามเพราะอาจจะเอาคุณใส่ชุดที่ป้องกันเชื้ออะไรต่างๆนั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรักษาที่ดีนะจิตที่เรารักษาด้วยการสร้างกุศลด้วยการบําเพ็ญบุญทําอย่างต่อเนื่องทําอยู่อย่างสม่ําเสมอนั่นแหละท่านผู้ฟังเป็นการรักษาชนิดที่เรียกว่าดียิ่งกว่าเพราะว่าถ้าเราตายจากโรคนี้ไปตายไปแล้วนะตายไป แต่ถ้ามันจะต้องไปเกิดอีกมันจะต้องตายอีกแต่ตายแล้วก็ถ้าต้องมีเกิดอีกก็ต้องตายอีกแต่ตายแล้วก็ตายอีกบางคนรอดจากการตายด้วยโรคมะเร็งเราก็ไปตายด้วยโรคหัวใจเราจากการตายด้วยโรคหัวใจก็ไปตายด้วยเชื้อคุณโบล่าอย่างนี้มันก็ต้องตายด้วยอันอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าผื่อว่าเราจะต้องเจอความตายอยู่เรื่อยๆเราทําความตายนั้นให้มันสิ้นสุดจ้ะในชาตินี้โดยการสร้างกุศลด้วยการบําเพ็ญบุญ อย่างน้ถ้าเราเป็นผู้ที่เห็นถูกต้องปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านท า, านรักษาศีลของเราอย่างดีโดยยังเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสนำมาบนเวียนอยู่ในเทวดาแล้วกัในโลกมนุษย์อีกยังมากเจ็ดครั้งเป็นผู้ที่เทียงแตะต่อ น, นิพพานมีการตรัสรู้พร้อมจะเป็ะหน้าได้ขอให้ทำตามฝั ง, งอย่าลดละอย่าลดเลิกรักษาตัวเองให้ถูกรักษาจิตของเราด้วยสติ ทำอยู่อย่างนี้แล้วจะเป็นผู้ที่บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรนเสริญและโลกนี้ไปก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์กับพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณนญจันทร์าน